เอวังอนิจจาสังขาราเอวังอทุวาสังขาราเอวังอนัสาสิกาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเช่นนี้เองเป็นของไม่ยั่งยืนเช่นนี้เองเป็นของไม่มีเจ้าของ อย่างนี้เองเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากยินดีตอนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณ กับมูนิธิปัญญาภาวนาโดยพระมหาภัยบูพระภีปุณโงมาพบกับธรรมบฟังเป็นประจำทุกวันโดยในวันอังคารนั้นเราก็จะมาฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบกันให้ธรรมบฟังขาที่สงบสงบที่พอจะทำสมาธิ ทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวได้สักประมาณ60นาทีเพราะมาฝึกทำฝึกปฏิบัติไปด้วยกันวันนี้เราจะเจริญการนิจจสัญญาคือความหมายรู้โดยเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเวลาที่เราจะให้เกิดปัญญา ในการที่จะเห็นสิ่งต่างๆได้มันก็ต้องมาจากความหมายรู้คือสัญญาก่อนท่านผู้ฟังโดยสัญญาในที่นี้จะมาในรูปแบบของสมาธิคือความที่ให้จิตเป็นอารมณ์เดียวก็ได้หรือว่าจะมาในรูปแบบของการเรียนรู้เป็นสัญญาที่เราจะต้อง จำให้มันได้แล้วว่าเรื่องนี้มีนคืออันนี้ที่สองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรก่อนที่เราจะไปทำให้เกิดปัญญาความเข้าใจในการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเอาหละ่ะเรามาตั้งสติกันไว้ก่อนเพราะว่าสตินั้นไม่ใช่สมาธิสตินั้นไม่ใช่ปัญญาแต่จะมีสมาธิหรือจะมีปัญญาได้ ต้องอาศัยสติสตจึงรียว่าสติปัญญาไงทุกฝั ง, งตัวสติเองก็ไม่ใช่สมาธิแต่มีสติแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นไงทุกฝั่งโดยเราเริ่มต้นในการที่มาสังเกตลมหายใจกันซะก่อนในวันนี้สังเกตดูลมหายใจสังเกตดูลมหายใจนะลมหายใจนี่ไม่ใช่ว่าเป็นสมถะ ไม่ใช่มาเป็นวิปัสนาคือเลมหายใจเป็นได้ทั้งสมถะเป็นได้ทั้งวิปัสนาอ๋อพูดทําไมเหมือนแย้งกันเองก็เพามันเป็นสติไงท่นฟังเขเรียกว่าอานาปานสติตอันนี้พระบุรุษชาตั้งชื่อให้เหลยทุกท่านสติคือความระรรกได้อย่างที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสติจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติ สติในที่นี้เราใช้ลมหายใจก็เป็นอาณาปานสติอาณาปานาสติมันก็ําไม่เกิดสมาธิได้มันก็ําไม่เกิดปัญญาได้ไงยังไงคือสติยังไงคือความระลึกได้เอาที่ไม่ใช่ก่อนฟังที่ไม่ใช่คือเพลินที่ไม่ใช่คือเพลอที่ไม่ใช่คือลืมที่ไม่ใช่คือไอ้ยังไงนะจําไม่ได้ไม่เข้าใจ อันเนี้ยไม่ใช่สติไม่รู้ว่าอะไรเพลินไป็นอะไรเพลินไป็นอะไรที่มันไม่ใช่ลไมไายใจเช่นเสียงเช่เนภาพไปตามตามหูจมูกลิ้นกายและใจเพลินไปเบลอไ ป, ป, ไปลืมไปตามอะไรนะตามรูปเสียงกลิ่นรสหดตภธรรมรมในช่องทางถ้าเสียงก็หูในช่องทางถ้าเป็นกลิ่นก็ต้องจมูก เป็นผ้าเป็นแสงกระถองทางช่องตาเป็นความคิดนึกนั่นคือทางช่องใจคนเรามัน้าไปแค่นี้แหละหกทางเพลินไปตามความคิดนึกเนือเรื่องใหญ่มักจะลืมไปเผลอไปตามช่องความคิดนี้สมาไปแล้วมันก็ตามความคิดช่องใจฝันกลางวันบ้างคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้าง ลืมไปละลืมไปละลืมอะไรเนี่ยลมไง่ายี่เราเริ่มรู้ลมกันมาแล้วนะจะไม่ลืมจะนึกถึงอะไรนึกถึงลมผมว่านึกถึงลมไม่ลืมอะไรก็ต้องมีที่ให้จิตเนี่ยมันไปนึกถึงจะนึกอะไรได้ก็ต้องมีสิ่งที่ให้จิตนั้นจะนึกถึงได้จะไม่เผลอไปในอะไร ก็ต้องมีที่ให้จิตนั้นจับได้จะจับอะไรได้มันก็ต้องมีที่ให้จิตจับไงจะไม่เผลอไปตามเสียงตามภาพแต่ตกใจนะก็ต้องมีที่ให้จิตนั้นเกาะไงจะให้จิตมีที่เกาะก็ต้องมีที่ให้มันเก่ะไงในที่นี้เราเอาลมหายใจเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ ใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือให้จิตนั้นเกาะให้จิตนั้นจับให้จิตนั้นตั้งไว้ตั้งมั่นไว้ตั้งมั่นไว้ด้วยสติคือการระลึกได้ในที่นี้ใช้คเครื่องมือคือลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดารับรู้ถึงสัมผัส แม่แต่าธรรมด า, รรมดาเราไม่ได้รับรู้ถึงสัมผัสของลมใช่ไหมละ่ะโอ๊ะลองหาใจแรงสักสองสาครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้หนะ้าที่ตำแหน่งไหนเราตำแหน่งนั้นเพราะว่าลมห้ใจเป็นเรื่องของกายเรื่องของรูปเเป็นธาตุลมไงเป็นธาตุลมเรื่องของกายเรื่องของรูปเอาก็เอาตำแหน่ง ถ้าเป็นเรื่องกายเรื่องรูปมันเป็นตำแหน่งได้ถ้าเป็นเรื่องนามเรื่องใจตำแหน่งนี้มันบางดีไม่ได้เพราะนามธรรมามันจับต้องไม่ได้แต่ว่ารูปธรรมมันจับต้องได้ใช้อ้างอิงระบุตำแหน่งได้เราเอาตำแหน่งที่บริเวณด้านในโพรงจมูกแบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นจะเป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่น ไปจากกลิ่นของหอมของเหม็นอะไรก็ตามเวลาที่เรารับรู้กลิ่นได้ตรงนั้นแหละองค์จิตก็เราเวลามันนึกถึงลมมันนึกถึงณที่ตำแหน่งนี้โดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้ใหาชใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือช้าแรงหรือค่อยทีหรือห่าง จะร้อนหรือจะเย็นจะเหม็นหรือจะหอมไม่ได้สนใจตรงนั้นให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับทั้งเรื่องร่างกายว่าต้องอยู่เกรงตรงนี้ขมดคิ้วอย่างนี้หน้าตึงอย่างนี้ไม่ต้องให้พ่อยอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดารีแลกซ์ผ่อนคลาย ทำกายให้สบายจะอยู่ในท่านั่งหรือท่านอนก็ได้ถ้าอยู่ในท่านอนก็ลุกนั่งได้แล้วนึง่งคือส่วนทางกายไม่ต้องบังคับจิตใจว่าต้องคิดหรือไม่ต้องคิดอะไรยังไงแต่ให้ทําใจให้สบายหมายถึงมันจะคิดอะไรก็มาสิแต่ไม่ลืมลม จะคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตไม่เผลอไม่เพลินไม่ตามแต่ไม่ประมาทไม่ประมาทก็ต้องมีที่ให้จิตแต่ไงจับไว้ไงเกาะไว้ไงตั้งไว้ไงที่ที่ใช้ใจิตมาจับมาเกาะมาตั้งไว้ในที่นี้เราใช้อะไรลมหายใจไงเอาเนี่ยเหมือนเป็นป้อมทต่เรเวลาก็ออกรบเขาก็มีที่กำบงัง หลบไว้แล้วเล็งจะยิงค่าสุดนี่ต้องเล็งตรงมีที่กำบงังต้องมีป้อมเป็นปราการในการที่จะรักษาตัวเช่นเดีวยวกันเราใช้ลมหายใจเป็นป้อมปราการเป็นที่รักษาจิตแล้วตรงไหนคือสติตรงที่เรามาระลึกถึงลมธมรมฝาสติคือความเราได้ลมหายใจก็อยู่มันใช่ไหม ในที่นี้เราเอาตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นต่างๆในโพรงจมูกตรงนั้นก็คือเข้าไปสักประมาณครึ่งนิ้วๆหนึนน่งจากปลายจมูกเวลาเรามานึกถึงตรงนั้นได้ความนึกถึงได้นั้นน่ะคือสติเราแยกกันมฝังระหว่างยามกับป้อมยาม ยามนี่อาจจะไปเที่ยวเตดเตลเดินตรงนั้นเดินตรงนี้อาจจะไปเข้าห้องน้ำอาจจะไปแอบนอนทอี่อื่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับมาที่ป้อมยามป้อมยามก็อันหนึ่งตัวยามก็อันหนึ่งเหมือนกันว่าวมหใจที่ผ่านเข้าออกณจุดนี้นั่นคือป้อมยามความที่ระมันนึกถึงณจุดนี้ได้ ความนึกได้ความระลึกได้ตรงนี้แหละคือสติสติไม่ใช่กายธรรมฟังสติไม่ใช่รูปสติไม่ใช่เป็นสิ่งของที่เราจับต้องได้รวมมันอยู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ไม่ใช่แต่เวลาเราระลึกถึงอะไรก็ตามณที่ตำแหน่งนี้ความระลึกได้นั้นแหะคือสติมันเชื่อมกันธรรมฟังระหว่างกายกับใจระหว่างนามกับรูป กายใจนามรูปเชื่อมกันอยู่ได้เพราะวิญญาณมีการรับรู้ในที่นี้เราคือรับรู้สัมผัสของลมณนะตําแหน่งนั้นหรือบมืคนอาจจะใช้วิธีอื่นๆต่างๆเช่นนึกพุทโธนี่พุโทโธก็เป็นความคิดในทางใจใช่ไหละ่ะซึ่งความคิดในทางใจมันไม่ได้มีตําแหน่งไงเพราะเราจะมาอ้างถึงใ้ใกายใจรูปไม่ใช่ละเป็นความคิดก็ได้เป็นไอเดียก็ได้ เช่นเรานึกถึงทานที่เราเคยให้ไปนั่นก็เป็นจาการรู้สติเอาทานนี่คุจะเป็นนึกถึงไงก็นึกถึงสิ่งของบ้างก็เป็นภาพอยู่ในใจนึกถึงเหตุการณ์นึกถึงสถานที่นึกถึงบุคคลนึกถึงบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าอาการตรัสรู้ของท่านนึกถึงบุคคลเช่นพระสงฆ์อาการปฏิบัติของท่านพวกนี้เป็นความคิดนึกในช่องทางใจนึกได้เนยความนึกได้เรานึกได้น่ะคือสติ ซึ่งไม่ใช่ตัวความคิดนั้นสติกับความคิดที่เป็นธรรมารมก็จึงไม่ใช่อันเดียวกันสติกับลมหายใจที่เป็น่างกายก็จึงไม่ใช่อันเดียวกันยามกับป้อมยามก็ไม่ใช่อันเดียวกันคนละอย่างกันวิญญาณคือการรับรู้ที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายใจนามรูปก็เป็นคนละอย่างอีกจากสติและธรรมารม เป็นคนละอย่างเป็นคนละอย่างกันใช่ท่านฟังมันเป็นคนละอย่างกันเราจะเห็นข้อนี้ได้ตราต้องตั้งสติขึ้นน า, นาน้ำเนี่มันละเอียดเออก็รูปบางอย่างก็เป็นของละเอียดงั้ยนะเช่นว่าถ้าเราเอาทรายมาผสมกับดินลุกให้เข้ากันเลยนะแล้วก็บอกอ่ะนี่มันต้องให้แยกออกจากกันโอ้ยทรายกับดินมันปนกันมันจะแยกออกจากกันจะทำยังไงให้มัหยิบทรายทีละเม็ดต่อ มันก็เป็นของละเอียดที่มันผสมกันไปแล้วหรือถ้าคุณเอาน้ำตาลแล้วก็เกลือไปผสมกันในน้าอ่ะคุณจะแยกกันยังไงก็มันละเอียดกันนะรูปบางอย่าง น, าน้ํานี่งละเอียดละเอียดลงไปว่าโรบอีกท่านฟังมันอยู่ในช่องทางใจบิงทีถ้าเราไม่สังเกตมันยิ่งมองไม่เห็นเลย ถ้าจให้นิยามไว้ในแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละข้อละข้อเพื่อเรารู้จักสังเกตได้ความคิดนึกก็อันหนึง่งผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนึกในที่นี้คือวิญญาณก็อย่างหนึง่งความระลึกถึงความคิดบางอย่างได้ความระลึกได้นั้นก็อีกอย่างหนึง่งหมายถึงธรรมารมก็อย่างหนึง่งคือความคิดนึกเรื่องราวที่เป็นอดีนาโคต กลับมาพุโทโธเรื่องทีเ่เราเคยไปให้อทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องอะไรก็ตามที่เราจำได้นั่นก็เป็นธรรมารมตัวผู้ที่เข้าไปนึกถึงสติตัววิญญาณก็คนละอย่างละอย่างกันคาถามก็คือว่าเราทาสติเนี่ยทำไปทำไมเอามันมีประโยชน์ตรงที่มันพอเราสังเกตในที่นี้ใช้ จิตใช่จิตเป็นผู้สังเกตจิตก็ไปเป็นผู้สังเกตเขาทำงานยังไงผ่านทางวิญญาณวิญญาณก็จึงต้องมีใช่ปะพอมีวิญญาณแล้วในการที่จะไประลึกถึงในที่นี้คือลมหายใจความระลึกได้นั้นคือสติซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความเพลินตรงข้ามกับความเผลอตรงข้ามกันกับการที่ไม่รู้จักสังเกตไม่รู้จักใส่ใจ เวลาเราสังเกตดูลมความระลึกได้นั้นคือสติจะทำให้จิต น, นั้นไม่เผลอเพลินไปในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีสติเลยเนี่ยนะมีเสียงมากระทบมีภาพความคิดนึกต่างๆเราก็จะเผลอเพลินไปตามสิ่งนั้นร้อยเปอร์ทีนี้เราบอกว่าโอเค กอนฉัมีความคิดนึกมีภาพมีเสียงได้ยินนั่นเนี่ยฉันก็ไม่ลืมลมกันละกันไม่ลืมลมใช่ปก็รู้ลมหายใจไปขณะที่ก็คิดด้วยรู้ลมหายใจไปในขณะที่ก็ได้ยินเสียงคนอื่นรู้ลมหมยใจไปในขณะที่ก็ทํางานนั่นนี่รู้ลมหายใจไปในขณะที่ก็กินข้าวขณะที่ก็เดินขณะที่ก็วิ่งออกกําลังกายรู้ลมไปด้วยรู้ลมไปด้วยรู้ลมไปด้วย ความที่จิตมันจะเปลือยเพลินไปตามกิจกรรมอะไรที่ทําความคิดอะไรที่นึกอาหารอะไรที่กินมันก็จะไม่ไปร้อเซไงเพราะบางส่วนมันอยู่ที่ลมช่อางี้มันจะดีเหรอดีสิท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาไม่ว่าเราจะได้ยินอะไรคิดอะไรนะมันมีอารมณ์ที่ติดมากับด้วยสิ่งนั้นเสมอฟังอีกครั้งหนึ่งสมมติเราคิดเรื่องคนนี้ มึงที่ก็เรื่องคู่ครองมึงที่ก็เรื่องลูกมึงที่ก็เรื่องเพื่อนบ้านมึงที่ก็เรื่องงานอ่ะมันก็จะมีอารมณ์เช่นต่สามีหรือภรรยาทําให้เราคิดเรื่องนี้มีอารมณ์แบบนี้ลูกอย่างนี้เพื่อนบ้านอย่างนี้อารมณ์ที่เกี่ยวกับมักจะมาด้วยกันคนนั้นเนี่ยอารมณ์นั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีนะเช่นแต่คู่ครองทำให้เราแบบว่ากำหนัดอย่างนี้โโหหลออย่างนี้สวยอย่างน อ่าไอ้ความกำเนิดมันก็จะมาด้วยถ้าลูกทำให้เราเป็นห่วงอารมณ์ความห่วงมันก็จะมาด้วยถ้าลูกทำให้เราเกิดความรักเอ่ออารมณ์รักมีเมตตามันก็จะมาด้วยถ้าเรื่องอาหารทาให้เราแบบว่าขยะขยงอีนก็อารมณ์ความขยะขยงมันก็จะมาด้วยถ้าเรื่องบุคคลเช่นเราเลืกถึงพระพุทธเจ้าเออใจใจสบายอารมณ์ความจิตใจสบายนั้นก็จะมาด้วย มันมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอไงทุกฝังแล้วอารมณ์นี่มันก็เกดิกดเกิดดับๆติ ด, ต, ดติดมามาหนักบ้างเบาบ้า ง, างแล้วแต่จังหวะที่จิตมันจะเข้าไปเพลินตามนั้นมากน้อยขนาดไหนอารมณ์ใดมันจะเกิดขึ้นละ่ะที่ที่เป็นอย่างเงี้ยก็ฟุ้งซ่านไงแล้วก็คิดเรื่องนั้นอารมณ์นี้ก็มาคิดเรื่องนี้อารมณ์น้นก็มาพอดีโอ้ในแค่หนึ่งนาทีคิดตั้งสามเรื่องสิบเรื่อง ยีเรื่องหนึ่งวินาทีลำฟางเคยเห็นไหมคนคิด3 เ, เรื่องใน1วินาทีหรือ60วินาทีมันจะไม่ได้ไปคิด50 60เรื่องหรอกโอ้โหมันมากกว่านั้นอีกความที่จเฉลิ้มเพลิเลนเครื่องดึงเนี่ยโอ้มากมายทีเดียวเลยแต่พอเรานึกถึงหลมใช่ปะไอความที่จิตจะเผลอไปตามอารมณ์เหล่านั้นมันจะเบาบางลงทําไมเพราะสะติคือไม่เพลินมันตรงข้ามกันสติคือไม่เพลิไง พอมีสติปุ๊บเอ่ามันที่จะเพลินไปเนมันลดลงดันดีลริ่ไปใไนมาอยู่กับลมไงตรงไหนนะตรงที่เราเลิกได้อันนี้คราพท่านอาจรับไปต้องมาสับม่แยกมาชี้แจงตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนทุกครั้งทุกครั้งเลยนะท่านฟังย้ำย้ำย้ำย้ำเข้ไปเพราะมันเป็นของละเอียดไงของที่ละเอียดละเอียดมันต้องสับละเอียดละเอียดเพืนึงจะเห็นได้ ต้องมีกระบวนการต้องมีกรรมวิธีต้องมีขั้นตอนในที่นี่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือสังเกตถึงลมปุ๊บความสังเกตได้ความระลึกได้นั้นคือสติสติเกิดตรงจิตของเราทันทีเกิดขึ้นตรงที่ผู้ก็ไปสังเกตนั่นแหละผู้ก็ไปสังเกตคือจิตทางกลไกที่เรียกวรากันรับรู้คือวิญ ญ, ญาณ สิ่งที่เ้าไปสังเกตนันคือลมหายใจความสังเกตได้ความระลึกได้ น, นั้นคือสติพอมีสติเกิดขึ้นที่ลมหายใจมีสติเกิดขึ้นที่จิตมีสติเกิดขึ้นผ่านทางการรับรู้คือวิญญาณสติเนี่ยเป็นการแยกแยะแยกแยะจากเสียงทางช่องหูแยกแยะจากธรรมารมทางช่องใจสังเกตเห็นไม่ว่าทำั ง, งแค่ว่าเราดูลมเนี่นะ มันหลายอย่างมันแยอกออกจากกันเลยนะลมหายใจการหนึ่งจิตพูดที่เข้าไปดูลมเั่อก็อันหนึ่งา ก, การบ ร, ริบาลการรับรู้คือวิญญาณก็อย่างหนึง่งความคิดนึกที่เราเคยคิดอยู่เช่นเราคิดเรื่องงานคิดเรื่องออกกําลังกายคิดเรื่องอะไรธรรมารมานั้นเัน่อก็อย่างหนึง่งในช่องทางใจที่ทํามารวมความคิดนึกเหล่านั้นเกิดขึ้นนั่นก็อีกอย่างหนึง่งแยกกันออกมาได้หมดเลยประไรนะ พ ร, พระลมหายใจพระไอทิ้งนะใจลมหายใจเป็นเครื่องมือตั้งสติไว้ดูดีเวลาสหารเขาเฝ้าอยู่ที่ป้อมยามเนี่ยนะมีประตูด้วยนะแล้วก็มีคนเข้าคนออกด้วยนะพอดีคนเข้าคนออกจับตัวประกันมานคุณเล็งปืนไหมเนี่ยคุณจะส่องดูโอ้โหยิงยังไงจะมีมุมยิงไหมตัวประกันก็ถูกเอามาบังเอาไว้ ค่ะจะกลบอยู่ข้างหลังถ้าแยากแยไม่ออกสังเกตดูไม่ได้ไม่ดีไม่เห็นผิดปลาดได้นะเอาทีนี้พอเราตั้งสติดูลมหายใจแล้วเรามาพิจารณากันระว่างพิจ า, นารณาความไม่เที่ยงนี่แหละสังขารทั้งหลายเป็นกองไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นกองไม่ยั่งยืน สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่วางอะไรไม่ได้สังขารคืออะไรก่อนที่จะมาอธิบายสังขารก็ขออธิบายสัญญาซะก่อนสัญญาคือความหมายรู้ในที่นี้มีสองอย่างตั้งแต่ต้นรายการที่พระพเจ้ายกขึ้นเอาไว้คือเรื่องสัญญาที่เป็นสมาธิและสัญญาที่เป็นความรู้ความเรียน เอาสัญญาที่เป็นสมาธิซะก่อนพระพุทธเจ้า น, านี่คอธิบายไว้บอกว่าชัน 1, ช้นหนึ่งชัน 3, ช้นสองชั้นามชั้นอาการสา น, นจายตนะวิญญาณ น, นจยตนะอากิจัญญายตนาะะสัญญานาะสัญญายตนะคือชานทั้งหมด8ขั้น9้าขั้นเป็นสัญญาทั้งสิ้นเลยเอาแล้วสัญญาตัวนี้มันมาได้ไงกนะ็มาจากที่เราดูลมาใจนี่และ ตึงบอกว่าเอา้าใครปรารถนาฌานสี่ใครปรารถนาในวะสัญญาณาสัญญ า, นะญญายาตนะอันนี้ให้เจริญอาณาปานัสตินะสมาธิหมายถึงสัญญาก็เกิดจากเหตุคือสติเพราะว่าเราตั้งจิตระลึกถึงลมใช่ไหแยกแยกออกกันแล้วนี่ความที่จิตมันจะเพลินไปตามอารมณ์มันจะลดลงอยู่บ้าะพอจิตไม่เพลินไปตามอารมณ์ ที่เป็นเสียงผ่านทางหูความคิดนึกผ่านทางใจความระ ง, งับลงระ ง, งับลงของจิตมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเหมือนเราแกว่งสารส้มในลน้ําแกวงแกวงไปเะี๋ยวปล่อยให้มันนิ่งๆแต่มันตกตะกอนเองเหมือนกันจิตพอเราตั้งสติไว้ปล่อยให้มันนิ่งๆเดี๋ยวมันเป็นสมาธิเองความที่จิตเป็นอารมณ์มันเดียวเพราะไม่เพลอไม่เพลินไงพอไม่เพลินไม่เพลินไปแล้ว ทีมันจะสะดุงจะเตือนไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็ไม่ละหรือมันลดลงครับเองสงบเองมันคือเป็นสมาธิเองสมาธิก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งจากการที่เราทำจิตให้สงบหรือสัญญาประเภทที่สอ ง, งที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้คือความรู้ความเรียนเช่นเราเรียนภาษาเงี้ยนะเรียนภาษาไทยเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาจีนเรียนภาษารัสเซียที่เราจะมาหมายรู้ได้เร่รข้าพเจ้าก็รู้ศัพท์ภาษาจีนอยู่ไม่กี่กำเราทุกฟังที่ยกมาบ่อยกันเลยปากาหมิงปี้เขาเรียกหมิงปี้ปากาโอรู้ศัพท์คำหนึ่งแล้วเนี่ยเออแล้ ว, ว่าปากาถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเพนแต่อย่าเพิ่งสับสนนะว่า แภาษาไทยเพนนี่หมายถึงดวงจันนะแต่ภาษาอังกฤษเพนนี่หมายถึงปา ก, กานะแล้วเพนถ้าออกเสียงแบบนี้ในภาษาจีนก็มีความหมายอื่นอีกไปคำฝังมันที่ว่าหมายรู้แตกต่างกันรูปเสียงแตกต่างกันรูปเขียนแตกต่างกันความหมายในบริบทแตกต่างกันเขาก็ต้องหมายรู้เอาภาษารัสเซียภาษาตุรกีภา ษ, ษ, ษภ า, ษาษอังกฤ ษ, ก, ฤษก็ต่างมี ความหมายที่แตกต่างกันคุณก็ต้องเรียนเอาอหมายรู้เอานี่คือสัญญาแบบนี้ก็ได้หรือจะปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งเช่นเราบอกว่าเอาผ้ามามาตัดดูเย็บตรงนี้ติดตันนี้เข้าไปทําเป็นรูปแบบนี้ออกมาชื่อใหม่เราก็เรียกสมมติวันนี้รกวเสือ้อละกันนะสวมจากข้างบนอย่างเงี้ยอันนี้สวมจากข้างล่างเรียก กางเกงก็แล้วกันอ่ะก็เ้าขาสั้นขายาวไม่มีขาก็เรียกชื่อแตกต่างกันไปอีกที่ว่าหมายรู้มันแตกต่างกันอ่ามาจึงถึงมากใช้คาสังขารการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงกันคือสังขารสังขารแปลว่าการปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงสัญญาแบบหนึ่งให้เป็นสัญญาอีกแบบหนึ่ง การปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงนั้น น, ะน่นะเรียกว่าสังขารชื่อเรื่องนี้เราดูได้เลยปรุงแต่งจากผ้าาเราดูตัวรูปนะให้เป็นเสื้อก็คือสังขารในรูปในสิ่งที่เราจับต้องได้ในปีนี้คือผ้าเป็นเสื้อเป็นกเกงขึ้นมาหรือชื่อเรื่องเอาที่เรายังมาเรียกเข้าใจนั่งฟังกันอยู่ได้ขณะนี้ชื่อเรื่องนั้นก็คือสัญญาแล้วเลย ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากสัญญาอย่างหนึ่งให้สำเรจรูปเป็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งนั่นคือสังขารสังขารก็จะปรุงแต่งได้ทั้งรูปความรู้สึกด้วยอ่ะความรู้สึกคือเวทนานคนที่โดนเจ็บเจ็บ่อยๆเจอทุกขเวทนาเจอทุกขเวทนาอยู่เรื่อยใ่ลเพราะว่าทำความเข้าใจหรอกอทุกขเวทนามันก็นะบางคนก็ชอบเจ็บเจบ เออเจ็บทุกขเวทนามันก็เปลี่ยนสุขเวทนาได้เปลี่ยนแปลงไปได้แบบหนึง่งความอดทนเพิ่มขึ้นให้ที่จะทุกเหมือนเดิ ม, มก็ไม่ทุกเท่าเดิมละ่ะมันก็ทุกลดลงหรือบางทีเข้าใจสถานการณ์เกิดเป็นความสุขขึ้นเวทนาเปลี่ยนแปลงได้อะไรเข้าทําการเปลี่ยนแปลงนี่คือสังขารสังขารก็เปลี่ยนจากเวทนาแบบหนึง่งให้เป็นเวทนาอีกแบบหนึง่ง สังขารก็เปลี่ยนตัวเองด้วยสังขารนี่คือความหมายหนึ่งที่ว่าการปรุงแต่งหรือในอีกระยะหนึ่งพระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกังทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นสังขารหมดเพราะมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยมีการปรุงแต่งมาทั้งหมดก็มาปรุงแต่งในทีน่นี้ตรงนี้ละ่ะที่เราจะมาเจาะทําความเข้าใจกันปรุงแต่งพระอะไร มีเงื่อนไขมีปัจจัยคือเหตุเป็นตัวปรุงแต่งสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนเลยคือการทำอาหารทุาูฟังคุณเอาข้าวมาผสมกับไข่ใส่ผักใส่ซีอิ๊วใส่อะไรเข้าไปออกมาเราเรียกว่าเป็นอะไรข้าวผัดหรือถ้าคุณเอาซึ่งก๋วยเตีเ๋ยวมาใส่กุนเชียง ใส่ถั่วงอกใส่เต้าหู้ลงไปผัดกันใส่ซอสอันนี้มันก็ามาเป็นพัดกี้เมาลหึนั่นแหล ะ, ละได้ไม่นล่นละปรุงแต่งหลายวิจารณะมาหลายชั้นนะสัญญาก็ได้เปลี่ยนจากชื่อหนึ่งเป็นเป็นอีกชื่อหนึ่งเพราะมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงหรือตูตัวตรงสังขารก็ได้ ที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยโอ้เอาข้าวมาทำงี้เลเข้าผัดเอาข้าวมาเป็นงี้เอเข้าตังเอาข้าวมาทำงี้เรกเข้าปัน้นเออมันก็ชื่อคนละอย่างเพราะเงื่อนไขเพราะปัจจัยหมายถึงเหตุมันเปลี่ยนแปลงลักษณะที่มันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงน่านแหล่ลนะละอะไรหรือว่าสังขารอะไรก็ตามที่มีเงื่อนไข อาศัยปัจจัยคือเหตุผสมปรุงแต่งกันแล้วคือสังขารอะไรก็ตามที่มันมีเหตุเงื่อนไขมานะแล้วมันอยู่ได้หรือมีเหตุเงื่อนไขมาแล้วมันเป็นอย่างนี้มีเหตุเงื่อนไขมาแล้วบางทีมันหายไปนี่นี่แหละเราเรียกว่ามันคือสังขารนั่ น, นแหละเราเรียกว่ามันไม่เทีย่ยวด้วยปกติแล้วเวลาเราเห็นอะไรก็ตามที่ มันยังคงอยู่นี่คือมันมันมีอยู่ไงเช่นปากกาอ่ามันอยู่ในสภาพของปากกาเช่นน้ำเช่นอาหารเช่นรถยนต์เสื้อผ้าเครื่องหนุ่มห่มพวกนี้เราเห็นมันอยู่เราจับต้องมันได้อยู่ใช่ปะละ่ะที่มันมาเป็นอย่างนี้ได้อะไรก็ตามที่เราจับต้องได้อยู่กินอยู่เห็นอยู่นอนทับอยู่นั่งทับอยู่มันเป็นมาอย่างนี้ได้เพราะเงื่อนไขปัจจัยบางอย่างถูกปะละ่ะ มันไม่อยู่ที่นี่ได้ก็ฉันซื้อมามันก็มาอยู่ตรงนี้ตัวแล้ก็ฉันเอามามันก็มาอยู่ตรงนี้สิือฉันทําขึ้นมามันก็มีอย่างงี้ดิโอเคที่มันมาอยู่ตรงนี้ได้คุณเห็นได้ได้ยินได้ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยแน่นอนนี่แหละดําวังอะไรก็ตามที่มีเงื่อนไขปัจจัยแล้วเห็นอยู่ดํารงอยู่ตรงต่อหน้าเรานี้นั้นนั่นน่ะนั่นน่ะมันเป็นสังขาร น่ะน่ะน่นะ่นะ่นะนะมันไม่เทียงทำไมไม่เทียงนะสังขารทั้งหลายไม่เทียงกันบ่าเอวังอ น, นิจจาสังขาราบอกไว้กับทั้งพีสูตทั้งหลายบอกไว้กับทั้งลัคนะระอานนล์บอกไว้กับทั้งฤหัสพระราชาอุบาสุบาสิกาคนนั้นคนนี้บอกไว้หมดบอกไว้ว่ามันไม่เทียง ไม่เที่ยงยังไงก็ไม่ใช่บ่ายโมงโอ้มันก็ไม่ใช่อยู่แล้วต่อให้เที่ยงหรือบ่ายโมงเวลานั้นมันก็ไม่เที่ยงหมายถึงไม่ยั่งยืนใช้คำว่าอะทุกว่าไม่ยั่งยืนเพราะอะไรเพราะว่าเราลองดูอ่ะเรื่องความสำเร็จในปัจจุบันนี้ความสำเร็จที่า อ, อมีความสำเร็จคุณต้องมีเงินทองนะคุณต้องมีชื่อเสียงนะ เราคุก็ต้องมีทรัพสมบัติต่างๆนี่นนอันกีึจะเรียกว่าชีวิตเนี่ยประสบความสําเร็จละดูพิจารณะดูความสําเร็จนี่เป็นเงื่อนไขปะ อ, อ้าใช่สิท่านมันต้องมีเงื่อนไขของความสําเร็จไงเงินทองเท่านี้ชื่อเสียงต้องเป็นอย่างนี้ตําแหน่งต้องสูงเท่านี้ต้องยศอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จ แล้วก็เงื่อนไขของการที่ประสบความสําเร็จคนต่ละคนก็ดูไม่เท่ากันด้วยถ้าเป็นทางการหารบางคนบอกว่า<อ><อ>ฉันเป็นพนตรีเนะี่ยฉันสำเร็จล้วบางคนบอกไม่ได้ฉันลงผลเองบางคนก็บอกโอ้ยฉันขึ้นแค่เป็นนายร้อยเนี่ยฉันก็พอใจแล้วเงินทองนี่ยิ่งหลากหลายยิ่เข้าไปใหญ่บางคนบอกต้องมีเงินล้านที่มีเงินล้านมีล้านหนึ่งแล้มันไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่นะถ้ามีสักสิบล้าน บางคนบอกโม่ไม่ต้องมีทั้งสิบล่องสิบล้านเลยหล่ะแค่ว่าฉันปลอดหนี้หมดนี่ฉันก็ถือว่าฉันสบายละเออมันก็คิดไม่เหมือนกันนะของเงื่อนไขก็ต่างกันไงเราทำไม่เหมือนกันนะก็มันไม่เที่ยงไงทตานผังมันจะไม่เหมือนกันไลยมันเงื่อนไขมันเป็นของที่เป็นเงื่อนไขมันเป็นของที่ต้องอาศัยปัจจัยคือเหตุสิ่งที่เป็นเงื่อนไขอาศัยปัจจัยคือเหตุคือสังขารสังขารเป็นยังไง สังขารดั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้นะเอวังอนิจจาสังขาระสังขาระคือสังขารอนิจจาคือไม่เที่ยงเอวังอย่างนี้อย่างนี้คืออย่างไหนอย่าง น, าง น, างนี้โดยความที่เหมือนเงื่อนไขแม้นั้นก็เปลี่ยนแปลงไปอีกคนนี้ว่าอย่างนี้คนหนึ่งไหายอย่างหนึง่งสมัยนี้เป็นแบบนี้สมัยอื่นเป็นอีกแบบหนึง่ง ตอนช้าเป็นอย่างหนึ่งตอนเที่ยงตอนบ่ายเป็นอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่คงตัวตามเงื่อนไขประจัยของเขาถ้าสมัยก่อนสักสี่สหปีก่อนเงินขา ค, ความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี่โอ้เงินทอง น, นี่ต้องมาเป็นหลักใช่ปะ่ะแต่สมัยก่อนนี่เขาเอากันทําประโยชน์เพื่อสังคมบ้างเอาเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานไปเอวตัวเงินเป็นหลักบ้าง โอ้เรื่องลักษณะของอาชีพ่เป็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นรับราชการอะไรอย่างงั้นนี่มาเป็นหลักบ้างก็แตกต่างกันไปเอาล่ะถ้าก่อนนั้นไปอีกเงื่อนไขความสําเร็จคืออะไรชนสงครามอย่างนี้เป็นตน้นก่อนนั้นไปอีกพูดถึงเรื่องการเกษตรพูดถึงเรื่องสังคมอยู่อีกแบบหนึง่งเงื่อนไขความสําเร็จเงื่อนไขในการที่จะทําชีวิตให้เป็นยังไง เงื่อนไขท่างนั้นไม่เหมือนเดิมและจากนี้ไปตารวจข้าพเจ้าก็รับรองให้ได้5ปีสิปี50สิบปีห้าปีจากนี้เงื่อนไขความสาเร็จเหล่านี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมแน่นอนของเงื่อนไขของความสาเร็จที่มันอาศัยเหตุปัจจัยไม่เหมือนเดิมเงื่อนไขยอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความสาเร็จอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจ เรื่องการค้าเรื่องการศึกษาทุกอย่างนะ่ยมันอาศัยเงื่อนไขรปัจจยแล้วมันไม่เที่ยงหมดเลยเพราะมันไม่ยั่งยืนที่ไม่เที่ยงเพราะมันไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนในความที่ว่ามันไม่เหมือนเดิมไงดูการศึกษาปัจจุบันดูทุวันเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปมา ก, กเปียนความรู้เฉพาะอย่างสมรั ที่ว่าต้องเอาต้องทั้งได้ดีกรีจบมหาลาัยเรียนทุกอย่างใหม่แล้วเพราเจาะลงไปเฉพาะทางเลยคุณไม่ต้องไปเรียนมาหาลัยก็ได้ขอว่าถ้าคุณทำงานนี้ได้ไหมเขียนโปรแกรมได้ตัดต่อวิดีโอได้ทำเลยไม่ปองไปเรียนจบด้านสื่อสารมวลชนหรือต้องจบการเขียนโปรแกรมมาแล้วทำได้ทำเลยเอาเขาก็เรียนเฉพาะจุดเฉพาะอย่างเอาเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิม ไอ้ที่การศึกษาไม่เหมือนเดิมะอะไรเนะเพราะมันเป็นสังขารไงมันเป็นเงื่อนไขปัจจัยมีการปรุงแต่งมามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่แค่เรื่องทางภายนอกเนะี่ยสิ่งเงื่อนไขความสําเร็จนี่เป็นนามเป็นนามทางภายนอกเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งของฮาร์ดแวร์รูปต่างๆนี่ไม่เที่ยงแม้แต่เรื่องภายในเองเราก็ตาม ความคิดนึกของเราความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวเราจะบางคนอาจจะรู้สึกปวดขารู้สึกปวดไหล่รู้สึกปวดหลังหรือบางคนอาจจะเออแอร์เย็นๆสุขดีสบายดีกินข้าวอิ่มดีสบายตัวดีความสุขคือเวทนาความทุกข์คือเวทนาเวทนาสุขก็มีใช่ไหมเวทนาทุกข์ก็มีนะ ถามว่สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเหล่านั้นเนี่ยมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไหมโอ้ยมันก็ต้องใช่สิท่านตาตรงนี้มันปวดมันก็ต้องมีเหตุจากการปวดละเช่นเป็นโรคนั้นอากาศร้อนอย่างนี้มันก็ปว ด, ม, ปดมันก็ไม่เดียมกับทุกแต่ถ้าไม่เป็นโรคนั้นอากาศดีอย่างนี้อาหารอะไรอย่างนั้นมันก็สุก ข, ขึ้นมาอ่ะสุขทุกใช่ปะอาศัยเงื่อนไขปัจจัย เงื่อนไขปัจจัยนั้นน่ะมันจึงเป็นของไม่เที่ยงไงเพราะว่าถ้าเงื่อนไขนี้มาปุ๊บมันก็ทุกแต่เงื่อนไขนี้ไม่มาปุ๊บมันก็ไม่ทุกถ้าเงื่อนไขนี้มาปุ๊บมันก็สุขถ้าเงื่อนไขนี้ไม่มามันก็ไม่สุขแต่อีกเงื่อนไขหนึ่งมาความทุกข์ก็ดับไปอีกเงื่อนไขหนึ่งมาความสุขก็ดับไปสุขทุกเป็นเรื่องของเงื่อนไขเป็นเรื่องของปัจจัยคือเหตุ มันก็คสังขารอย่างหนึ่งแหละก็ใช่เวทนาก็ต้องอาศัยการปรุงแต่งอ่าความรู้สึกที่อยู่ในกายของเราความกินึกที่อยู่ในกายของเราปวดไหล่ปวดขาปวดท้งปวดเอวปวดหลังสบายตัวสบายขากายเมื่อยกายปวดความรู้สึกเหล่านั้นทั้งหมดเป็นของที่ปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งแล้วมันคือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยง ท่านถามนะที่ไหนไม่เที่ยงมันก็เป็นของที่ไม่ยังยืนไม่ยังยืนแล้วถ้าเราพิจารณาต่อนะไปเวทนาที่เกิดขึ้นในกายมันก็เกิดขึ้นในกายนี่แหละแม้กายของเราเองแต่ในพิจารณาต่อไ้แม้กายของเราเอ ง, ง, อ ก, อ ง, เเองก็อาศัยมารดาบิดาเป็นแดเกิดมันมาตรงนี้ได้ไงกายโอ้ยถ้าคนแก่นี่ก็จะบอกว่า ห้กับพ่อแม่ให้เกิดมาแล้วก็อยู่จนป่าเนี่ยแก่ป่านี้ถ้าได้กเกิดใหม่วันนั้นก็อบอกนี่พ่อแม่ให้เกิดมาแล้วก็ให้นมให้ดูแ ล, และอะไรต่างๆจึงยังมีชีวิตยอยู่ได้ก็มีเงื่อนไขประชัยคือมีมารดาบิดาเป็นแันเกิดเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นมาเพราะมีการให้ข้าวให้น้จาจะประคบประงมประคับประคองมันก็ปวดบ้างเหมัอนก่อ ชุมรุษเสียหายได้บ้างกายนี้ปวดแขนปวดค้าบางคนก็วิวะอยู่ไม่ครบบางคนก็จะมีโรคนั่นนี่บางคนก็หายจากโรคได้บางคนก็สุขภาพดีต่างก็มีเงื่อนไขปัจจัยประกอบประ ง, งมประคับประคองไม่มีการแตกสลายการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเวทนาเกิดขึ้นในกายนี้ กายนี้ก็ไม่เที่ยงเวทนาที่เกิดขึ้นในกายมันจะเที่ยงได้ยังไงเออใช่ใไหนลองคิดดูกทีหงนะถ้ากายของเรามีเงื่อนไขปัจจัยอาศัยมาแล้วมันจึงเกิดได้ใช่ปะ่ะเวทนาที่เกิดขึ้นจากกายก่อนหน้านี้มันไม่มีวันมีมาเอามันก็ต้องมีเงื่อนไขคือกายเป็นปัจจัยไงมีเงื่อนไขคือกายเป็นเหตุให้เวทนาเกิดได้เวทนานนมันจะไปเที่ยงได้ยังไงตัง นึง่งหร่ามัน common s e n s มันเป็นความคิดพื้นฐานธรรมดาทั่วๆไปเลยไม่ได้ยากอะไม่ได้อะไรซับซ้อนเลยแต่่มันว่าสับให้มันละเอียดเฉยๆเนะ่ยแยกแยะแจกแจกให้มันละเอียดเฉยๆแต่นี่มัน common s e n s อยู่แล้วใครๆก็รู้ได้ไม่ต้องจบปริญญาตรีด้วยซ้า โ, โอ้ไม่ต้องพูดถึงหมอปลายหมอตน้นโอ้ยไม่ต้องเรียนหนังสือคนลําก็รู้ได้ล่ะ ตรงนี้มันเจ็บเนี่ยมันก็เจ็บที่กายนี่แหละเจ็บที่กายมันก็ต้องอาศัยกายแล้วมันจึงเจ็บได้ความเจ็บมันเกิดได้ก็อาศัยกายความสุขมันเกิดได้ก็อาศัยกายถ้ากายมันไม่เที่ยงแล้วแล้วมันไม่ก่อนไม่มีแต่นี้มีกายมาไอ้ความสุขความทุกข์มันจะเที่ยงไหนก็ไม่เที่ยงแหละสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่มีเจ้าของไม่ยั่งยืนนี่นะคือคําว่าไม่มีเจ้าของนี่ หมายความว่ามันไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งสั่งได้ถ้าสมเราเป็นเจ้าของสิ่งนี้เราก็สั่งได้อาจจะเหนียกไปตรงนั้นไหนทําอย่างนี้สามารถสั่งได้บอกได้แต่ถาว่าเราเป็นเจ้าของกำปั้นนี้เราเป็นเจ้าของขานี่แขนนี้คุณก็สั่งให้มันยกให้มันย่างให้มันเหยียดให้มันย่อให้มันเดินเป็นวิ่งเป็นไปนั่นไปนี่เอ้าสั่งได้แล้วนี่นะสั่งได้ เป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ยังประกอบกันอยู่สั่งได้ชั่วคราวเหมือนกูมีตำแหน่งกูเป็นอะไรอ่ะเว้นจะสั่งใครได้ก็ต้องเป็อธิบดีนี่จะสั่งใครได้ก็ต้องระดับหัวหน้าแผนกระดับผู้อานวยการระดับประธานหรือระดับรัฐมนตรีปรหลัดสั่งคนได้แต่ที่สั่งได้สั่งได้มีวาระนะ ไม่ได้สั่งได้ไปตลอดนะสั่งได้ก็แค่ว่าอยู่ในตำแหน่งนั้นว่าอย่ไม่ต้องพูดถึงว่าอยู่ในตำแหน่งเลยแม้แต่ว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่คนละกระทรวงอะ่ะเขาก็ไม่ให้คุณสั่งแล้วคุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นซ e อแต่ว่าคุณอยู่คนละบริษัทมันจะไปสั่งได้ไงสั่งข้ามบริษัทมันเขาก็ไม่เกรงใจคุณละเาก็ไม่ทำตามแล้วเป็นคนละแผนกันไที่ว่าสั่งได้มันก็ชั่วคราวได้เป็นบางครั้ง ได้เป็นบางที่ไม่ได้ทุกที่ไม่ได้ตลอดเวลาไม่ได้ทุกครั้งร่างกายเราที่สั่งได้สั่งได้นะ่ะบางคนหลับฝันว่าเดินไปนั่นนี่สั่งร่างกายในฝันแต่แการ์ดไม่ขยับนะเออตอนฝันสั่งไม่ได้อหมหรือพอแก่ตัวลงที่ว่าเคยยกนั่นได้เดินไปที่นี่ได้ลุกนั่งได้จะลุก โอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวเอาลูกมาช่วยหน่อยเอาลูกไม่ได้เหมือนเดิมล่ะจะยกใ้นั่นขึ้นโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวเอาหลานมาช่วยหน่อยหรือพี่น้องมาช่วยหน่อยญาติมาช่วยหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยว่อาอะไรมันไม่ไหวนละ้วทำไมนะสั่งไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆรง่างกายนี่สั่งได้อยู่บางครั้งบางคราวนั่นคือเป็นชั่วขา่าวเป็นภาพลวงตาเป็นของ ไม่ยังยืนไงจำว่าเป็นของไม่ได้มีตลอดเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ถ้าจะเป็นเจ้าของชั่วคราวเฉยเขาให้ยืมเชยเหมือนอัญมณีเหมือนกเรื่องเพชรเหมือนเงินทองคุณยืมก็มาใส่เฉยเฉยถึงเวลานี่เขามาเอาคืนไปนะร่างกาย เ, าเราเนะี่ยยืมโลกมาใช้เฉยเฉยชั่วคราวนะไม่นาน กสักรายปีไม่เกินยืมมาใช้ถึงเวลาต้องคืนเ้านะเราไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆนะเราเป็นเจ้าของชั่วคราวเฉยเราเออสัญญานี่มันมันจะจบลงเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยกวันที่เกิดมามันเซ็นสัญญามาแล้ววันที่ตายสัญญาก็หมดอายุนั่นแหลจะจังหวะที่ว่าเกิดมาแรกๆสัญญาเพิ่งเริ่มทํางานมันก็ยังไม่เคยรับเป็นเป๊ สุด ท, ท้ายสัญญาจำนวนอายุมันก็ไม่คยร้อยเปเ็เป๊เหมือนกันหมายถึงตอนเด็กๆกับปวดนั่นธรรมะ น, นี่มันก็ทําอะไรถูกๆผิดๆบ้างพองแก่แล้วก็เหมือนกันนะว่ามันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้บ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างความที่มันเป็นของที่ชั่วคราวเป็นเจ้าของเนี่ยนะมันคือไม่ใช่เจ้าของจริงๆคือไม่ได้เป็นเจ้าของว่าสั่งการได้เพราะมันสั่งได้ นิดเดียวไม่ได้มากไม่ได้ตลอดคือไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆคือไม่ได้เป็นเจ้าของแหละยืหมาใช้เฉยด้วยความที่ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงนี่สาระมันไม่มีสาระคือแก่นสารสาระคือความที่เราจะเอาประโยชน์สาระคือความที่เราจะให้สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ มันไม่ได้เหมือนแก่นไม้แก่นไม้นะอัวแข็งเวลาก็เอาไปสร้างเป็นเสาบ้านเอาไปรับลาหนักเอาไปอะไรเนี่ยเอาไปทํางานสําคัญสําคัญเน่ยได้แต่ถ้าคุณจะเอาไม้ที่เว่นกระพี่ไม้ผูกไม้อะไรอะ่ะเราไปทําเป็นเสาบ้านดูเราไปทําเป็นงานสําคัญสําคัญดูโอ้ยไม้ผูกผูมันจะไปทไํายังไงทําได้อยู่แต่แป๊บเดียวพังเติมเลย แปเดียวปุ๊บอ้าวความไม่งามมันปรากฏขึ้นเลยความเสียหายมาเลยไม่ได้เช่นเดียวกันแหละเราจะไปหาสาระจากสังขารที่มันไม่เที่ยงความสําเร็จเนี่เขาบอกเนี่ยต้องสำเร็จอย่างเนี้ยต้องมีเงินทองเทาง่านี้ต้องมียศตําแหน่งอย่างนี้ต้องมีลูกทํามนี่ต้องมีคู่ครังเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ความสําเร็จนั้นเน่ะที่เป็นไอเดียนั่นต่อให้คุณได้มานั่นแหะ มันก็แบบไม่ใช่สาระสําคัญเราต่อให้ก็ได้มาเลยนะเช่นตําแหน่งนี้หนึ่งต่อเท่านี้ได้มาแล้วมันมันยงรู้สึกแห้งผากอยู่มคนยูรู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรอยู่มันมีร้อยล้านแล้วก็อยากมีพันล้านมันยังมันยังขาดอยู่อีกสักเก้าร้อยกว่าล้านนะแม้พอมีร้อยล้านแล้วเนี่ยเอาเลยร้อยล้านที่มีทำไมมันไม่ได้รู้สึกหรอกก็ก็มียูเดี๋ยวมาอีกตั้งเก้าร้อยมันถึงได้พัน ไ อ, ไอ้ไอ้ความที่มันยังพร่องอยู่เนี่ยมันจึงเป็นที่ว่าไอ้เมันมันไม่ใช่สาระไงทุกฝังเพราะนั้นคนที่ไม่มีตามเงื่อนไขนั้นนหะก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าเออมันไม่ใช่สาระนะมันไม่ใช่หลักสําคัญแต่หลักสําคัญคืออะไรอ่ะหลักสําคัญของความที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไงเอาปัญญานี่แหละทุกังเป็นหลักสําคัญ มีสาระแต่ปัญญาเที่ยงไหมปัญญาก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงสมาธิปัญญาสติเหล่านี้ไม่เที่ยงแั้วนั่นน่ะไม่เที่ยงเราจะมาเป็นสาระสําคัญไม่ได้อย่างที่ว่าแต่ท่านสอนว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงบางอย่างต้องลกสิ่งที่ไม่เที่ยงบางอย่างต้องทําความเข้าใจสิ่งที่ไม่เที่ยงบางอย่างต้องทํำให้มาก สิ่งที่ไม่เที่ยงเราต้องละคือความอยากตัณหาความเพลินความโลภความโกรธความหลงความไม่เข้าใจอวิชชาพวกนี้ก็ไม่เที่ยงแม้แต่เวทนาแม้แต่รูป ก, ก็ไม่เที่ยงสมาธิปัญญาพวกนี้ไม่เที่ยงแต่ทาหน้าที่ไม่เหมือนกันตัณหานี่ไม่เที่ยงอยู่แต่ว่าต้องละทุกข์นี่ไม่เที่ยงอยู่ แต่ต้องทำความเข้าใจมาร์กนี่ก็ไม่เที่ยงอยู่แต่ต้องทำให้มากปัญหาคืออวิชชากิเลสความเพลินความอยากพวกนี้ทื่ของสมุทยละเลยละละเมื่อก่อนไม่มีมืางทีมันมีืางทีมีมันก็ดับไปไม่รู้ละ่ะยังไงก็ตามต้องล่ำเสียความสุขความทุกข์เป็นเวทนาสังขารการปรุงแต่งต่าง เป็นทุกขอริยสัตว์อันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะโอเคมันเกิดขึ้นได้ดับขป้นได้นะโอเคเป็นกองที่ไม่มีสาระแก่นสารนะโอเคส่วนมรรคแปดคือศีลสมาธิปัญญาสติที่เราตั้งเราทำอันนี้ก็ไม่เที่ยงกันแต่ต้องทำให้มากมากทำให้มากมากปัญญานี่ไม่เที่ยงแต่ต้องทำให้มากมาก เพราะว่าประโยชน์มันแตกต่างกันางท้กฝั่ ง, งตัณหาไม่มีประโยชน์เลยมีแต่โทษทุกประโยชน์มีอยู่โทษก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ของทุกก็คือทำให้เราเกิดปัญญาได้โทษของทุกก็คือมันมีตัณหามาติดได้เพราะนันต้องระวังต้องคอยทำความเข้าใจตัณหามันก็ไม่ติดอะไรแล้วสมุทยมันก็เกิดมีได้ประทุมันติดกันเราจะให้ละทุก็ต้องมีมาก มักเกิดได้อันหนึ่งก็ขอดีแตนหาเกิดได้อันนก็ข้อเสียทุกข์ก็ตึงตึงหงามเข้าใจส่วนมากมีแต่ข้อดีข้อดีมากข้อเสียน้อยองกระทําไมมากๆมันคุ้มกว่ากันสิ่งอะไรก็ตามใี่ทำฝังในที่นี้เรากาลังพูดถึงเรื่องสังขารซึ่งเป็นทุกขะอริยสัจสังขารเวทนาเป็นของไม่เที่ยง เห็นอย่างเนี้คือเห็นด้วยปัญญาปัญญาเป็นตัวเห็นนะหมายถึงจิตที่พิจารณาแบบนี้จะเกิดปัญญาขึ้นนั่นเองจิตที่เราใคร่ครวญแบบนี้เลักสถาการณ์คร่ครวญตามแนวนี้นั้นนั่นนะ่ะคือสัญญาไงความหมายรู้มันเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษานะ่ะเหมือนภาษา จู้รู้ไดไงว่าคำนี้หมายถึงนี้อาก็โอเคเขาบอกมาเราก็จำเอาเช่นเดียวกันอันนี้จากสัญญานี่ท่านบอกมาให้พิจรารณาเงี้โอเคเราก็จาเอ า, เามาพิจารณาแนวนี้แนวทางการพิจารณาแนวทางการทำความเข้าใจแบบเนี้ยเราเรียกว่าโยนิโสมนสัสการพอเราโยนิโสมนสัสการปัญญาจะเกิดถ้าเราพิจารณาแบบอื่นนะเช่นแบบพิจารณาแบฟิสิกส์ พิจารณาแบบทางชีวะเคมีพิจารณาแบบทางกายภาพพิจารณาแบบทางชีวภาพมันจะไม่ได้เกิดปัญญาได้เก็เป็นปัญญาแต่ในทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องชีวภาพแก้ปัญหาเรื่องอะไรไปมันจะไม่ด้เป็นปัญญาที่จะให้เกิดการตรัสรู้ได้ในที่นี้เราไม่ต้องเ อ, อะไรมากเกินไปเอาเฉพาะโยนิโสมนสิการตามแนวของอริยสัจ4ี่ ทุกสมุทัยนิโรธมักเห็นว่ามันเออไม่เที่ยงนะเนี่ยไม่มีเจ้าของนี่สิ่งใดที่ไม่เที่ยงสังการนี้นะพอมีเงื่อนกาปัจจัยอาศัยกันมาสิ่งนั้นไม่ยั่งยืหนหรอกเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนการปัจจัยของมันได้สิ่งนั้นถ้าเราจะใช้มันได้เป็นเจ้าของมันชั่วคราวเฉยๆไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆสิ่งที่มันแบบนี้นั้นนั่นนะมีเวทนา สุขบ้างทุกบ้างมีกายมีความสำเร็จมีความผิดหวังมีความเศร้าหมองมีความยินดีพอใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกายนี้ได้นั้นน่นนะเราไม่ควรยึดถือโดยความเป็นตัวตนไม่ใช่ของเรามันไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่จะเข้าไปยึดถือด้วยความเป็นตัวตนไม่มีสาระเป็นกองไม่มีเจ้าของ เป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของที่ไม่ควรเอาเป็นของที่ไม่ควรจะเข้าไปยึดถือเอาไว้วันนี้เป็นของเราเนี่ยก็มันไม่ใช่ของเราเลยเข า, าเมาคืนไปไม่เพอถ้าว่าเอาคืนไปแล้วเราย่างที่ว่าเราเป็นเจ้าของอยู่มันทุกข์นะมันจะมีปัญหานะแล้วเขาเซ็นสัญญากันน้อยแล้วเนี่ยคุณจะไปตามทวงคืนไปฟ้องศาลไหนเขาไม่สนใจเลยมีแต่ต้องยอมรับมันเท่านั้นว่ามันก็นเป็นอย่างนี้ ความยอมรับได้นี้ด้วยปัญญาแล่นเน่งหนุ่ฝังปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันเปิดตาขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วดวงตาเกิดขึ้นแล้วเห็นได้ว่าอ๋อไม่ไม่ใช่ของเราพอแล้วเลยวางเลยปล่อยเลยละเลยคลายกำหนัดออกไปจากมันเลยที่เราจะไปยึดถือไว้ด้วยความเป็นจาระไม่เอาเลย วางเลยวางเลยปล่อยเลยละเลยเพราะเราวางเราปล่อยเราละความยึดถือมันจะไปเชื่อมไม่ติดอยู่กับสิ่งนั้นไม่ได้ความยึดถือหลุดไปแล้วเหลืออะไรความที่เราจะเข้าไปจับยึดสะดุ้งสะตือไปตามสิ่งนั้นหายไปแล้วเหลืออะไรเหลืออะไรที่มันทำให้เราได้มาถึงจุดนี้ล่ะดูฟังเหลือสิ่งนั้นเอาไว้นั่นคือเหลือสติไว้ คือเหลือปัญญาไว้ศีลสติสมาธิปัญญานั่นแหละมันจึงเหลือไว้ดูพระพุทธเจ้าตอนอยู่ใต้ทุนโพปล่อยวาหมดแล้วน่ะปล่อยวางหมดแล้ ว, นะล ว, หลวเหลืออะไรสติสมาธินี่อยู่เต็มเลยอย่เอาสิ่งเหล่านั้นมาสอนได้บอกได้ศีล ส, สมาธิปัญญามากกว่านี้ยังอยู่กับเราอยู่กับเราปะอะไรนะเงื่อนไขปัจจัย สร้างมามันก็มีอยู่มีอยู่ทําไม่มากทําไม่เจริญเป็นประโยชน์กับเราได้ในกระบวนการการพิจารณาเรื่องอนิจจสัญญานี้ทุกฝั่งเราฝึกเราทําทําได้ทุกที่ทุกโอกาสไม่จําเป็นจะต้องมานั่งสมาธิหกสินาทีนี้เท่านั้นแต่ว่าทําได้ในขณะที่รับประทานอาหารเดินช้อปปิ้งซื้อของพูดคุยกับคนนั้นนั่นนี่ ของน้ำเดินทางทำได้หมดให้ท่านผูฟังฝึกทำไว้อยู่อย่างต่อเนื่องด้วยปัญญาปัญญามันจะเกิดขึ้นให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ท่า น, นผู้ฟังกำลังรับฟังช่วงของจิตตะวิเวกในรายการธรรมารับรุนเป็นช่วงเวลาที่เรามาฝึกทำสมาธิปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบโดยมูลนิธิปัญญาภาวนา กบเจ้าพระมหาพัยบุญอาพีปุนโนงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุพัา